พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สามสิบสมทุรสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตรพระมหากัจานะอยู่ในป่าไม้คุณทาพระเจ้ามัทุรราชอวันตีบุตรเข้าไปหาตรัสถามถึงเรื่องที่พวกพราหมณ์ถือว่าวันณะรามประเสริฐสุดวันณะอื่นเลว วันนะพรามขาววันนะอื่นดำวันณะพรามบริสุทธิ์วันณะอื่นไม่บริสุทธิ์วันณะพรามเป็นบุตรของพรหมเกิดจากปากพรหมอันพระพรหมสร้างสรรค์เป็นพรหมมทธยาธพระเถระตอบว่าเป็นเพียงคำอวดอ้างเท่านั้นแล้วได้อธิบายว่าวันณะใดมั่งมีวันณะอื่นก็ยอมเป็นคนรับใช้